นี้ก็บรรยากาศดีฝนตกมาตั้งเมื่อคืนถึงจะตกไม่แรงแต่ก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยได้ฝนพอสมควรพอตกหลายชั่วโมงเก็บตกรับประลูลเช้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเมื่อวานก็ได้นำข้อเขียนหนึ่งลงมาในเฟซบุ๊กเป็นข้อเขียนขอจ า, ารีตศาลเรื่องแมวสอนทำ อันนี้ไปโดนใจคนมากมายเลยเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่แมวก็ให้ธรรมะ ก, กับคนเลี้ยงนะคือแมวเนี่ยจะไม่เหมือนหมาหมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคนเลี้ยงคือพระเจ้าเวลาให้อาหารแต่แมวเนี่ยจะเห็นคนเลี้ยงเป็นทาสเดี๋ยวนี้เราจึงมีทาสแมวมากมายเลยเวลาเราดีกับใครเนี่ยหรือช่วยเหลือใครเราจะมักคาดหวังว่าเขาต้อง พักดีกัเราขอต้องสํานึกบุญคุณเราหรือตอบแทนบุญคุณเราแต่บางครั้งก็ไม่ใช่อาจจะผิดหวังข่ า, า จ, จะดีกับเราไม่มากพอที่เราต้องการก็ได้เหมือนแมวแมวดีกินแล้วก็ไปไม่ได้พักดีอะไรกับเราบางคนก็ทุกเรื่องนี้แหละพอข้อเขียนนี้ลงไปเขาอ่านเขาก็ปิ๊งขึ้นมาเขากลุจักอารมณ์นั้นได้ คนเราที่ทุกข์เพราะว่าเรียกร้องจากฝ่ายหนึ่งแล้วไม่สมหวังไงถ้าเป็นลูกจ้างก็อยากได้เงินเดือนทงแพงถ้าเป็นภรรยาก็อยากจะให้สามีรักเอาใจเรามากๆหรือตามใจเราถือเรียกร้องไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตามใจเราเราก็เราก็จะรู้ผิดหวังเป็นทุกข์ อย่างอาณาบาเนี่ยรู้จักผู้หญิงเยอะแยะเลยส่วนมากจะเป็นคนที่มีสามีมีครอบครัวแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันบ้างก็ทุกข์เพราะสามีไปมีกิก๊กบ้างก็ทุกข์เพราะสามีติดเหล้าติดการพนานบ้างก็ทุกข์สามีขี้เกียจสามีไม่เอาไหนบ้างก็โดนสามีข่มเหง ผมเห็นทําลายน้ำใจขัดใจบางก็ทุกข์เพราะสามีป่วยสุขภาพไม่ดีอุ้ยมีทุกข์กีบัตร ะ, ะหลายเรื่องบางทีคุยกับร ม, มาก็ก็พูดให้ธรรมะให้กำลังใจไปจนเขาเนี่ยหายทุกข์บางคนเนี่ยพอเขาหายทุกข์เขาก็ลืมเราเขาเขาเห็นเราเนี่ย เป็นศิลานีปรึกษาเขาตอนเขาทุกข์เาแหละแต่ก็แก้ได้นะบางทีพระไปที่พึ่งทางใจแต่ทุกคนลืมดูตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยคือเหตุของความทุกข์อันตามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าทำให้แก้หายปัญหาได้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเธอแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวคนจีนแต่เธอก็หลังจากแต่งงานแล้ว ก็ไปอยู่บ้านสามีเนี่ยเธอก็ไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่ถูกชะตากับแม่ผัวคือแม่ผัวไม่ชอบขี้หน้าแหละเคมีไม่ค่อยตรงกันคอยพูดกระแนะกระแหนะแล้วก็ว่าเธออยู่ประจำเธอก็เถียงไม่ยอมคนทะเลาะกันประจำจนสร้างความทุกข์กับสามีมากอันนั้นก็แม่อันนี้ก็เมียไม่รู้ที่ทำไงน้อยก็เกียดชังแม่ผัว มากขึ้นมากขึ้นจนต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างวันหนึ่งเธอก็ไปหาลุงของเธอถึงก็เล่าเรื่องแม่ผัวให้ลุงฟังบอกว่าลุงลุงเธอขายสมุนไพรนะบอกมียายาพิษไหมเธอจะนํายาพิษเนี่ยไปฆ่าแม่ผัวเพราะเกียรดขี้หน้าเหลือเกินจุกจิกจูก้จี้ขี้โบนลุงของเธอก็คิดอยู่พักหนึ่ง แล้วก็บอกว่ามีสักพักหนึ่งก็ไปนำสมุนไพรมาห่อหนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเธอต้องทําตามลุงบอกอย่างเคร่งครัดนะเพื่อไม่ให้คนสงสัยนํายาห่อเนี้ยค่อยๆเอาไปให้แม่สามีเธอทานอย่าใช้หมดคือให้ใส่ไปในอาหารทำอาหารให้อร่อยๆอะวันเว้นวันให้ยาสะสม เพื่อเวลาแม่เธอตายคนจะไม่สงสัยเธอและหนูต้องต้องดีกับแม่ผัวเธอด้วยนะเวลาแม่ผัวพูดอะไรเนี่ยให้เชื่ออย่าเถียงแล้วก็ให้รักแม่ผัวเหมือนแม่ตัวเองเอาใจมากมากให้ทำอะไรก็ทําทุกอย่างด้วยความเกลียดชงังแม่ผัวเธอจะรับปากแล้วบอกจะทำตามสัญญาอันเคร่งครัดหลังจากนั้นเธอก็เริ่ม เป็นคนละคนเลยเริ่มทําอาหารอร่อยอ่อยให้แม่ผัวทานเวลาแม่ผัวบน่นเธอก็ไม่เถียงแม่ผัวใช้ทําอะไรเธอก็ทําตามหลายเดือนผ่านไปครอบครัวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นกันนะจากเมื่อก่อนแม่ผัวกับลูกสะพ้ยจะเกลียดชังขี้ด่ากันตอนนี้แม่ผัวเนี่ยเกิดรักลูกสะพ้ยเหมือนแม่ตัวเองละเบือนลูกตัวเองแล้ว เวลาญาติพี่น้องมาเยี่ยมหรือเพื่อนมาเยี่ยมก็จะชมลูกสะภ้ยเนี่ยโอ้ลูกสะพ้ายเนี่ยดีจังเลยช่วยงานบ้านว่านอนสอนง่ายดีมากๆตัวน้อยเองก็จากตอนแรกเธอเกลียดชังแม่ผัวตอนนี้ก็รู้สึกว่าแม่ผัวรักตัวเองเหมือนลูกตัวเองก็รักแม่ผัวเหมือนแม่ตัวเองก็เลยมีความสุขอะ่ะตอนนี้เข้ากันได้ ทางแม่ผัวลูกสะพายเธอจึงไปหาลุงของเธอแล้วบอกให้ลุงแล้วก็ร้องไห้บอกไม่อยากให้แม่ผัวเธอตายขอขอยาแก้แก้พิษด้วยลุงของเธอก็ยิ้มชอบใจแล้วบอกไอ้ที่ให้ไปไม่ใช่ยาพิษหรอกอั น, นั้นคือยาบอลุงทั้งหากยาพิษจริงๆน่ยคือจิตใจของเธอเองถึงตอนที่ได้รับการชำระล้างแล้วจากความรัก อันนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากตอนแรกเกียดไงพอรักปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รับความรักตอบแทนแบ่งบันความสุขคนอื่นคนอื่นก็แบ่งปันความสุขให้เราความสุขก็วิ่งมาหาเราถ้าเราไม่ดีกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ดีกับเราอันนี้ก็เลยทําให้ครอบครัวที่อยู่กันอย่างผาสุขเพราะว่ายาจิตใจที่ชั่วร้ายเนี่ยคื อ, อยาพิษจิตใจที่เกลียดชังคับแคนตรงข้าวจิตใจที่มีความรักความเอื้อทอน ก็เหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์อ้อ น, นำสวดมนต์อนิสงกัการจเจริญเมตตาเนี่ยเมตต า, า, ต, า, าต่อคนเมตตาตสัตว์ให้เขามีความสุขความสุขแล้วก็ย้อนกลับมาหาเราเวลาที่อันมาถ่ายภาพเนี่ยมักจะชอบบอกให้ผู้ถูกถ่ายยิ้ม <S <S เพราะการยิ้มเนี่ยทำให้คนเห็นแล้วอารมณ์ดีมีความสุขไง แต่บางครั้งการยิ้มก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนบางคนนะบอกให้ยิ้มก็ยังยิ้มแบบยิ้มไม่ได้อ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับยิ้มดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเวลาเรามาถ่ายรูปประชาสัมพัมักจะบอกให้ท่านเนะ่ยยิ้มหน่อยอาจารย์คนเห็นอาจารย์จะมีความสุขบางทีเราก็เอาหมาเอาแมวอยู่ ใ, ใกล้เพื่อรูปนั้นแนะ่ะคนเห็นหมาแมวฝวามรักยังสาเวลาเราเขียนโพธิมร์เขาเขียนไทม์ลงไปเนี่ยคนก็เห็นแล้วสะกิดใจไนงะ สนใจเขามาอ่านจุดประสงค์เราต้องกายคนเขามาอ่านพออ่านแล้วก็สามารถรู้จั ก, จากอารมณ์นั้นออกจากทุกได้อันนี้คือจุดประสงค์ที่เราเผยแพร่ธรรมะแต่บางครั้งก็ยากเหมือนกันนะพ้องทีหมาแมวก็ไม่ล้มมือด้วยตัวผู้ถูกถ่ายก็ต้องร่วมมือด้วยอันนี้เป็นเรื่องยากคือถ่ายภาพคนในวัดเนี่ยจะหาที่ว่ายิ้มจากใจจริงลําบากแต่บางคนก็ยิ้มเก่งเป็นธรรมชาติเลยสู้กล้องในทุกรูปแบบบางคนกลัวกล้อง คือไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะมีบุคลิกภาพที่อะไรกลัวถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยเดี๋ยวเขาจะมองเรายังไงก็ไม่รู้บแบบแบบขาดความมั่นจใจตัวเองไงแต่คนที่สู้กล้องบางทีก็มีความสุขนะถ่ายได้ทุกรูปแบบทำให้นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะตาย ขนาดกำลังจะตายเนี่ยอยู่มาทูตกปรากฏกายขึ้นเศรษฐีก็ถามว่าจะพาไปไหนอยู่มาทูตบอกจะพาไปนรกเศรษฐีรู้สึกไม่พอใจบอกตัวเองเนี่ยทำบุญทำทานบริจาคเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์ช่วยเหลือบุลุษทีต่างๆมากมาย ทำไมต้องตกอลกด้วยโยบะทูดเห็นเศรษฐีไม่พอใจจึงต่อรองบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันค่าเนี่ยให้เวลาเจ้าอาทิตย์หนึง่งให้ไปหารอยยิ้มจากใจจริงให้ได้สามครั้งแล้วข้าจะพาให้เจ้าไปสวรรค์ เสรียรได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเงื่อนไขนี้พอรับได้เพราะว่าลอยยิ้มยากใจจริงเนี่ยสามครั้งไม่น่าจะยากจึงตกลงแล้วปากไปยุดพูดก็ไปเสถียรฟื้นขึ้นมารอยยิ้มแรกที่เห็นก็คือใบหน้าภรรยาสุดที่รักน่าจะได้ง่ายๆจึงไปซื้อแหวนเพชร ให้ภรรยาภรรยาก็ดีใจแล้วก็รู้เซอร์ไพรส์ว่าอยู่ๆทำไมต้องมาซื้อแหวนเพชรให้แล้วก็แล้วก็ยิ้มไงเศรษฐีก็คิดว่าคงได้ได้หล่อยิ้มแล้วแต่โยบะทูตปรากฏกายขึ้นบอกนี่ไม่ใช่นะไอ้ น, นี่ยิ้มดีใจว่าได้ของมันไม่ได้ยิ้มแบบใจจริงเล่นลเอาเศรษฐีผิดหวังเลย เพื่อจเจวชนะใจภรรยาก็ไปซื้อบ้านในที่สถานที่แบบท่องเที่ยวอ่ะทิ่ทิวสวยให้เอ้าภรรยาก็ดีใจแต่ก็ไม่ได้ยิ้มอยใจยจริงซื้อของให้ซื้ออะไรให้สารพัดก็เหมือนเดิมไม่ได้ยิ้มอยากใจจริงสามวันผ่านไป <S 2> <S 2> <S 2> เสรษจถีถ่รู้ท้อแท้โอ้โหยิ้มอยใจยจริงมันได้ยากเหลือเกินเลยคิดว่าไหนตัวเองก็จะตกตายตกอลกแล้ว ทำคำาดีกับภรรยาดีกว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็เข้าห้องครัวทำขนมปังแล้วก็พวกหมูแฮมไส้กรอกเนี่ยลงมือทำด้วยมือตัวเองเลยทำเสร็จก็วางบนโต๊ะรอภรรยาลงมาทานภรรยาเนี่ยตื่นมาหน้าตางวงเงียอยู่ก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะสามีของเธอเนี่ย มาทำอาหารได้ยังไงพาอที่บ้านก็มีคนมีแม่ครวหลายคนเลยคือบ้านเศรษฐีรวยมากเธอก็แปลกใจนะสามีก็บอกว่าเนี่ยเราแต่งงานกันมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยสามีเคยทำอาหารให้ฐานตอนใหม่ไนงะตอนหลังนี่หลังจากรวยขึ้นงานเยอะก็ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เอาใส่ใจใส่ภรรยาเลยให้ผื้อื่นทำให้ไงภรรยาเนี่ยซาบซึ้งใจมากเลย ใบหน้าถึงเธอจะไม่ได้พึ่งตื่นนะแต่ตอนนี้จิตใจเธอแบบเริ่มยิ้มคอยยิ้มอย่าอ่อนโยนเป็นการยิ้มแบบใจจริงไงอยู่บนทุปรากฏกายคือบอกเนี่ยเธอได้แล้วดึงยิ้มไปใจจริงเพราะภรรยาไม่ต้องการวัตถุต้องการความใส่ใจเศรษฐีก็ดีใจที่ได้รอยยิ้มต่อไป ก็จะไปหารอยิที่สองนึกไปนึกมาเอ๊ะรอยิสองก็มีลูกน้องคนสนิทได้แหละที่อยู่กันมานานทำงานด้วยฝ่าพักดีใครไปถึงที่ทำงานเสร็จถีก็เรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาแล้วก็เลือกตำแหน่งให้เป็นรองรองกรรมการผู้จัด ก, การเนี่แล้วก็บอบหุนให้ส่วนหนึ่งลูกน้องนี่ก็ดีใจคำนับแล้วคำนับอีก เศรษฐีก็สังเกตเอ๊มันก็ไม่ใช่ลอยยมเรียกใจจริงเน่ยเพราะเดินดูยังมีลอยยิ้มแบบเศร้าหมองอยู่ก็ต้องขีดหวังไปจนถือว่าสุดท้ายเศรษฐีเลิกหมดหวังแล้วเพราะว่าลอยยมที่สองเนีไม่ได้เลยเชา้านี้ไปทํางานเศรษฐีก็เรียกลูกน้องคนสนิทมาแล้วก็บอกเธอทํางานกับเรามานานแล้วต้องหลายปีจะให้ไปพักผ่อน แล้วก็ยื่นตั๋วเขาบินให้บอกพาครอบครัวและลูกไปพักผ่อนหน้าเดือนหนึ่งพอได้ยินเท่านั้นแหละหน้าตาของลูกด้องเขาเปลี่ยนเลยหน้าตาจากยิ้มแบบเศร้าหมองตอนนี้เริ่มยิ้มยกักยังมีความสุขอะ่ะสายตองสายตาเปี่ยนหมดแล้วก็ดีใจมากแล้วบอกเศรษฐีว่าเนี่ยตัวเองทํางานหนักมาตลอดครอบครัวเลยไม่เคยพาไปเที่ยวไหนเลย จนดูเหมือนว่าคนบ้างานวันนี้ถือว่าชีวิตสมบูรณ์สูงที่สุดแล้วที่ได้พาครอบครัวพักผ่อนอยู่บนทุ่งปรากฏกายขึ้นบอกเนี่ยได้ลอยยพี่สองแล้วถีก็เห็นว่าวันนี้คงตายแล้วแหละคงต้องตกอลกลอยยีพีสามไม่รู้จะหายไหนเลิกเลยเลิกหาก็เลยถอดสูตรออกแต่งตัวธรรมดาแล้วกว็จะเดินชมเมืองเป็นครั้งสุดท้าย ก็เดินชมสถานที่ต่างๆที่ตัวเองเคยเดินเล่นอยู่สมัยก่อนที่ยังไม่รวยเพราะเศรษฐีปกติไปไหนก็ต้องไปรถคันใหญ่มีเอกสารมีคนขับจะไม่ค่อยว่างมาเดินแบบธรรมดาธรรมดาเป็นคนทั่วไปเศรษฐีก็เดินเลื่อยเปลื่ยแหละบนถนนแล้วสายตาก็ไปสะดุดที่เด็กหญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ไม่ค่อยมีใครสนใจเศรษฐีเข้าไปถามว่าหนูร้องไห้ทําไม เด็กก็บอกว่าเธอหลงกับพ่อแม่หากันไม่เจอเศฐีก็ไหนๆเราก็จะตายแล้วขอทำความดีส่งท้ายจึงพาเด็กไปโรงพักแล้วก็ดำเนินการประสานงานติดต่อเพื่อให้พ่อแม่มารับสักพักหนึ่งพ่อแม่เด็กก็บาถึงโรงพักทั้งพ่อแม่ลูกกอดกันวิ่งสวมกอดกันแบบดีใจสุดขีดและ คิดว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วตอนนี้สีหน้าเศรษฐีรู้สึกมีความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนน่ะคือช่วยคนสมหวังไงแต่ก็ยิ้มแบบแบบผ่อนคลายที่สุดละสักพักอยู่ประตูปรากฏกายขึ้นบอกเจ้าได้รอยยิ้มพิ่สามแล้วเศรษฐีงงเลยรอยยิ้มพิ่สามจากไหนอะ่ะก็จากเจ้าเองนั่นแหละก็เอากระจกให้ดูเศรษฐีก็เห็นหน้าตัวเองอะ่ะ ตอนนี้ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการใจยักแต่เป็นชายชาลาผู้เอื้อทอนเป็นคนแก่ใจดีคนหนึ่งจึงรู้ว่าโอ้ที่จริงรอยยิ้มสามมายากใจเราเองเราไม่ได้ไปหาที่ไหนยิ้มจาใจจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากคนเรายิ้มเสียแส้งหาง่ายยิ้มจากความสุขข้างในนั้นพวกเราก็ต้อง สร้างรอยยิ้มจากใจจริงขึ้นมานะอันว่าเหตุหลงพ่อเขาเขียนได้ยิ้มจากใจจริงบ่อยสมัยก่อนนะยิ้มแววตาท่านแววตาท่านรู้สึกว่าหน้าเขาใกล้ปลอดภยัยอบอุ่นใครๆก็อยากคุยด้วยเขาใกล้แล้วมีความสุขคือคนที่มีความสุขเนะ่ยสามารถแบ่งปันให้คนมีความสุขได้แต่คนที่มีความทุกข์เข้าใกล้ใครเขาก็ทุกข์ด้วยนะมันมีลังสีมันมีธาตุดึงดูดแต่ความทุกข์มันแบ่งให้ไม่ได้หรอกคนก็หนีหมดอนะ คนกลัวสังเกตแม้มจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นหมาแมวเนี่ยถ้าหมาแมวตัวไหนอารมณ์ดีคนก็อยากไปเล่นอยากไปลูกหัวเล่นแต่ถ้าหมาตัวไหน ด, ดูคนก็อยากไปห่างๆไม่มีใครอยากเล่นด้วยอย่างหมาอยู่ตัวหนึงที่วัดเนี่ยชอบกัดคนชื่ออีล่าเนี่ไอ้ น, นี่จะห่วงรองเท้าไม่มีใครอยากเข้าใกล้คือเป็นหมาโรคจิตกัดคนไปนหลายรายแล้วต่างกับไอ้ไขด่ดา ไข่เด้าหรือหมาตัวอื่นที่เห็นคนแล้วเขามาเล่นมาหยอกล้ อ, อยังมีความสุขหรือแมวแจ๋วแหววที่ลงครัว อ, อันนี้ก็ใครกระหิงก็อยากอุ้มเพราะเขาไม่ดูเขาก็มีธาตุดึงดูดให้คนมามาเล่นกับเขาเหมือนกันนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องอย่าทําตัวเองให้เป็นคนเจ้าทุกเจ้าลมให้เป็นคนมีชีวิตสดใสร่าเริง คืออะไรที่ทุกอะไรที่โกรธเกลียดอะไรก็ปล่อยไ ป, ย ป, ยปยวางทิ้งๆซะคนก็อยากเข้าใกล้เราคือคุยแล้วมีความสุขอาจารย์ภาษาเมื่อก่อนท่านเคยเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่ท่านไม่ใช้ชื่อตัวเองนะใช้ชื่อว่าลินใจเพราะว่าเป็นเป็นหนังสือที่แฝงกลมขันแต่มีธรรมะสอดแทรกอาจารย์ภาษาเคยบอกอาม า, ว, าว่าเวลาประเทศที่หอไตเนี่ยโยมไม่ร่วมมือเลย โยมบางทีนั่งฟังไปยกมือไปแทนที่จะฟังดีๆเวลาจารพิสารพูดได้ขำก็ไม่ยอมขำคือหน้าหน้าตาแบบไร้อารมณ์จะยกมืออย่างเดียวท่านก็นเลยไม่มีอารมณ์ร่วมผิดกับท่านประเทศข้างนอกประเทศข้างนอกเนี่ยเวลาท่านพูดเลือกตลกโยมก็หัวเราะมีความสุขคือต่อกันติดนงท่านหอตายยาคเทศยากที่สุดเลยบางทีพูดได้ขำก็ไม่ยอมขำกันพูดได้เศร้าก็ไม่ยอมเศร้า ไม่ร่วมมือสักอย่างแต่ผู้พูดก็พยายามทำหน้าที่ดีสุดนะพยายามให้โยมเนี่ยมีความสุขรับได้ไม่ได้ก็เราทาตามหน้าที่ที่คี น, นีแห่งหนึง่งมีชายอยู่คนหนึง่งมีปัญหาเรื่องแก๊สไอกระเพาะคือตดบ่อยนี่แหละก็มาปรึกษาหมอหมอก็นั่งฟังด้วยสีหน้าที่อธิบายยากชายคนนี้ก็บอกเนี่ยหมอเห็นไหมผมตดตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ย ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นแต่ผมลำคาญมากเลยเนี่ยวันหนึ่งตดทั้งวันเนี่ยหมอมียาอะไรให้ผมไหมเพื่อจะได้ทานเธอแล้วจะได้ไม่ตดหมอก็หน้านิ้วคิ้ก็บวดแล้วแหละสักพักหนึ่งก็ไปหยิบยาหรือบอกนี่เอา้าคูณยาที่ไปทานเดี๋ยวยาบดมาหาหมอใหม่นะหนึ่งอนที่ผ่านไป ชาหนุ่มก็มาอกีกมาถึงก็โวยวายเลยหมอเอาอยาไรผมทานเนี่ยเมื่อก่อนอนะตดผมไม่มีกลิ่นตอนเนี้ยเหม็นมากเลยโอ้โหตดตดทีไรเหม็นทุกทีเอาอยาอะไรมาให้กินหมอก็หัวเราะชอบใจบอกอการรักษาของหมอได้ผลไปครึ่งแล้วสามารถรักษาการได้กลิ่นให้ดีขึ้นต่อไปต้องกินยารักษา รับรู้เรื่องเสียงใช้หนูคนเนี้ยแกตดแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเนี่ยตดแกเนี่ยทั้งดังทั้งเหม็นแต่คิดตัวเองว่าตดเดี๋ยวไม่มีปัญหาแค่ ล, ลาคาญเท่านั้นก็เหมือนคนมากมายแหละอยู่กับทุกแต่ก็ไม่รู้ตัวเองทุกคือชินไงอย่างคนที่ไปอยู่ปอนน้ามันเนี่ยบางครั้งก็ได้กลิ่นน้ามันนะเหม็นแต่ว่าพออยู่ไปนานๆก็ มันแล้วเกิดฟ้าเคยชินไม่รู้สึกว่ากลิ่นน้ำมันเหม็นหรือคนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไอ้ที่ห้องเก็บศพอันมาเคยเข้าไปดูนะศพเกลือนเลยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายบทีเขาจับแก้ห้าหมดแล้วศพแล้วคนฟ้าศพเลยบางทีก็กินก๋วยตีงยว้ยเตี๋ยวอยู่งั่นแหละโดยไม่รู้สึกว่าเหม็นไอ้เราก็รู้สึกว่ามกินเข้าไปได้ยังไงบางทีเหม็นศพก็มีกลิ่นนะบางศพก็ตายมาหลายวันคือเขาเคยชินไง คนที่อยู่กับทุกนาๆนเนี่ยก็จะลือก็จะกลมกลืนไปไม่รู้ว่าจะยังทุกข์อย่างคนที่พนัก ง, งานดูดซุ่มอะ่ะก็จะคุ้นกับกลิ่นขี้ก็ไม่รู้สึกว่าขี้นี่เหม็นแต่ถ้าเราไปได้กลิ่นเราก็จะเหม็นทันทีเลยคนที่ทํางานอยู่กับโรงงานที่มีฝุ่นหรือมีอากาศที่ไม่ดีอะ่ะใหม่ๆก็จะรู้สึกอดิดอัดพอสักพักหนึ่งร่างกายปรับตัวได้เขาก็จะไม่มีความรู้สึกว่าอากาศแบบนี้เป็นปัญหาต่อไปดูมันเผื่อดีแต่ที่จริงอันตรายนะ เหมือนคนเราเนี่ยถ้าอยู่กับคนที่ไม่ดี อ, อยู่กับคนที่ชั่วพิชัยที่สักพักเราก็จะกกมกืนเราก็จะเลวตามเราไปดูอยู่เราไม่ดูบุหรี่ไอยู่เขาดูบุหรี่สักพักเราก็ดูบุหรี่อยู่กับคนกินเหล้าเอ้ยเดี๋ยวเขาชวนกินเหล้าเอาหน้าแก้วหรนะือหน้าลูกผู้ชายเดี๋ยวเราก็กินไปอยู่กับคนเล่นการพนันเดี๋ยวตอนแรกไม่เล่นเดี๋ยวก็เอาหน่อยหนะ้าโว้ได้เงินเยอะได้เงินง่ายเนี่ยแทงไปเนี่ยอย่างเล่นพวก bon บอล เ, เนี่ยบอลสเต็ปเนี่ย แทงร้อยหนึ่งบางทีได้ต้องพันได้สองสามพันได้ง่ายขอให้บอลถูกทุกคู่อะไรเงี้ยหรือมวยมีอยู่สองตัวคนที่เล่นมวยอยู่ก็ไปยุคนที่ไม่เคยเล่นเล่นเนี่ยเห็นไหมได้เงินง่ายเนี่ยมันมีแดงกับน้ำเงินเนี่ยไม่ไม่ตัวนี้ชนะไอ้ตัวนี้ก็ต้องชนะพอเล่นแล้วทีก็ติดเลยก็เสียคนก็เหมือนคนถ้าไปอยู่กับคนขี้โมโหจากตอนแรกอารมณ์ดีก็จะกลายเป็นคนขี้โกรธง่ายเหมือนกันเพราะมันซึมซับไงถ้าไปอยู่กับคนใจเย็นมันก็ซึมซับเรื่องใจเย็นตามอะมันก็ เป็นคนมีอิทธิพลมากขึ้นวันั้นเราอยู่เขาใกล้ใครเราก็สามารถดูซับแล้วเป็นคนคนนั้นได้เลยถ้าคนนั้นไปไอดอนนะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราอะ่ะดังนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนเหมือนกันถ้าอยากปฏิบัติธรรมเราก็มองเลยในวัดนี้มีใครที่มีปัญญาคุยแล้วมีปัญญามีการไปอยู่ที่เรียบง่ายเออไปคุกคีคนนั่นแหละเขาก็จะให้เราซึมซับ สิ่งที่ดีของเขาอะ่ะคือครบบัณฑิตแล้วก็เป็นบัณฑิตด้วยแหละกระยาบีแต่เป็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างของพระอาจารย์เลยแต่เราไปครบคนที่ขี้เกียจคนที่เกียจนี่มันก็เช้ามามันก็ขี้เกียจทําวัดขอท่าน่อยนะนอนต่อหรือบางทีมาก็มาสายเลยอนยะ่างเงี้ยซึ่งผิดจากคนที่รับผิดชอบเขาต้อง ม, มาก่อนเวลาอะไรเงี้ย อันนี้อนามาไม่ได้ว่าใครนะอนมามองแบบอนมามาเป็นคนชํานาญเรื่องกีเลสบางนี้ก็พูดเรื่องกีเลสให้ฟังเพราะว่ามีหลายคนพอทําไำบ่อยๆปุ๊บจิตใจก็เลยอ่อนแอไงพอครั้งนี้ขาดครั้งต่อไปอตอนต่อไม่มาแล้วจึมีหลายรายโดยจะเป็นสารเรียกว่าเตือนแล้วก็ต้องเขย่าท่านรู้บ่อยๆให้ตื่นขึ้นมาแต่บางคนก็มาเองนั้นพวกมาเองกับกับรัวมาค้าไม่มาจะต่างกันมากเลยมาเองมีความสุข มาทำวัดเนี่ยก็ได้เข้าฟังพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้ทําความดีอย่างเมื่อกี้เราสวดมนต์ก็สวดสรรเสริญพระพุทธคุณร้อยบทเนี่ยนึกถึงความดีพระพุทธเจ้าพอเรานึ่ถึงความดีพระพุทธเจ้าแล้วนน้องมาใส่ตัวเนี่ยโอ้โหเราจะไม่ทําดีเหมือนพระพุทธเจ้าเลยทําดีน้อยนิดเลยเราเราก็เกิดกําลังใจในการทําความดนีนการโคกกระดานมีสิ่งสำคัญถ้าถ้าพวกโยมอยาก มีความสุขก็เลือกคบคนดีๆหน่อยถ้าอยากมีความรอบรู้ต่างๆเอาเขามาหาอาจารย์จอมซึ่งท่านมีความมีคนมีปัญญาแล้วก็รู้มากก็ได้ฟัารู้จากท่านไปอยากอยากจิตตื่นก็ไปหาอาจารย์ออดอยากฝึกสติก็มาหาอาจารย์สมใจอยากรู้เรื่องหน้าตาก็มาหาอาจารย์วัดอยากนิพพานก็ไปหาหลวงพ่อสวัสดิ์ในวัดนี้มีคนมีหลายคนที่ตรงจริติสายเรา ถ้าอยากอยากทำงานบําเพ็ญประโยชน์ก็ห า, าจานโก้เดี๋ยวท่านก็จัดให้น้ําไหลไฟสว่างทัศนาให้วัดไปที่น่าอยู่ที่จริงมันมีเรล่าๆอยู่หลายเรื่องนะเปิดเวลาเวลาหมดแล้วเวลาหมดผู้พูดก็พูดไปเรื่อยนะไม่ได้วางวางแผนจะพูดเรื่องอะไรหรอกเก็บตกมาเล่าก็เห็นว่าเดียเราต้องปรับปรุงตัวเราเองก่อนอย่างเมืเ่อเจอสับพายเป็นชายหนุ่มคนนั้นน่ะที่เรื่องตดอ่ะเพราะเราไปบองข้างนอกไง ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองที่สามีภรรยาทะเลาะกาันอนามมองว่าภรรยาก็น่าจะบกพร่องด้วยนะไม่ได้มองสามีอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนจะเล่าแต่ปัญหาคนอื่นไม่เล่าปัญหาตัวเองไงเขาตัวเองมีปัญหาอะไรถ้าเรามองด้านเดียวเราก็เชื่อหมดเลยว่าเอ้ยสามีเธอเลวอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมันต้องมีทั้งสองคนแหละมันอยู่กันไม่ได้หรอกใครจะดีด้านไหนไม่ดีด้านไหนอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดทําแบบสบายเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวเ้าก็ดีตอบเราก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย ก็เห็นว่าพูดมาสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นเอวัง